4. จริตกับการปฏิบัติธรรมถามที่หลวงพ่อกล่าวว่าการปฏิบัติธรรมมีสองแนวทางคือแนวทางของผู้เป็นสมถะญานิกกับวิปัสสนาญานิกนั้นอยากทราบว่าเราจะทราบได้อย่างไร ว่าเราควรเลือกเดินในแนวทางไหนครับหากอาตมาจะตอบเองก็มีข้อถกเถียงกันยืดยาวจึงขอยกอัตตกถามหาสติปฐานสูตรมาอ่านให้ฟังพระอัตตกถาอาจารย์ท่านกล่าวไว้ว่าอันหนึ่งหนึ่งกายานุปัสสนาสติปฐานที่มีนิมิต อนจะพึงบรรลุได้โดยไม่ยากเป็นทางหมดจดสำหรับเวนยสัตว์ผู้เป็นสมถยานิกมีปัญญาอ่อน 2. เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะไม่ตั้งอยู่ในอารมณอย่างยาบจึงเป็นทางหมดจดสำหรับเวนยสัตว์ผู้เป็นสมถยานิกมีปัญญากล้า 3. จิ ต, ตานุปัสสนาสติปัฏฐาน มีอารมณ์ที่แยกออกไม่มากนักเป็นทางหมดจดสำหรับเวนยสัตว์ผู้เป็นวิปัสสนาญาณิกมีปัญญาอ่อน 4. ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานมีอารมณ์ที่แยกออกมาเป็นทางหมดจดสำหรับเวนยสัตว์ผู้เป็นวิปัสสนาญาณิกมีปัญญากล้า ถามถ้าเป็นพวกโทสจจริตหรือราคะจริตควรใช้แนวทางของผู้เป็นสมถยานิกหรือวิปัสสนาญาิกครับเรื่องจริตหกคือราคะจริตโทสัจจริตโมหจริตสัทธาจริตวิตกจริตและพุทธจริตเป็นจริตที่ใช้พิจารณาเลือกอารมณ์ เพื่อการทำสมถกรรมฐานเช่นโทสัจริตเหมาะที่จะเจริญเมตตาเป็นต้นสำหรับจริตที่ใช้พิจารณาเลือกอารมณ์เพื่อการทำวิปัสสนากรรมฐานมีเพียงสองจริตคือตัณหาจริตกับทิติจริตและเท่าที่อาตมาสังเกตมาพวกปัญญาชนที่ชอบคิดมากหรือมีความสุขกับการคิดวิเคราะห์วิภาควิจาร เป็นพวกที่ติจเรตก็ควรจะเจริญจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานไปเลยโดยไม่ต้องไปทําสมถะก่อนเพราะถึงคิดจะทําจิตให้สงบจนถึงฌานก่อนก็คงทําได้ยากเนื่องจากชอบคิดสงสัยหรือคาดคะเนมากหากมุ่งจะทําความสงบให้ได้ก่อนก็อาจไม่มีโอกาสได้เจริญวิปัสสนาจนตลอดชีวิต ถามผมเคยได้ยินว่ากายานุปั ส, สนาสติปัฏฐานเป็นอารมณ์หยาบทำได้ง่ายและเหมาะกับวิปัสสนาญาณิกอาตมาก็ได้ยินคำกล่าวอย่างนี้บ่อยเหมือนกันและท่านผู้กล่าวสอนก็มีแหล่งที่มาของคำสอนที่น่าเชื่อถือเช่นกันแต่ที่อาตมายกมาอ้างอิง เป็นคําสอนของพระอัตถกถาจารย์ไม่ใช่คําสอนของอาตมาประเด็นนี้ถ้าคุณยังไม่เชื่ออย่างสนิทใจก็ไม่เป็นไรเอาแค่รับทราบไว้ทั้งสองอย่างแล้วค่อยสังเกตพิจารณาเอาว่าเราเหมาะที่จะปฏิบัติอย่างไรคือใช้อารมณ์ใดแล้วสติเกิดป่อยก็ควรใช้อารมณ์นั้นต่อไปส่วนที่ว่ากายานุปัสนาสติปฐาน เป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายนั้นอาตมาคิดว่าแต่ละฐานก็น่าจะทำได้ง่ายทั้งนั้นหากท่านผู้ปฏิบัติเคยฝึกฝนอบรมมาทางด้านนั้นๆในการก่อนแต่ความยากง่ายของแต่ละบุคคลอาจจะไม่เหมือนกันดังนั้นถ้าทาฐานใดแล้วสติเกิดได้บ่อยก็น่าจะทำฐานนั้นอีกประการหนึ่งอาตมาเติบโตมาจากสายวัดป่า ครูบาอาจารย์ส่วนมากท่านทำสมถะกันก่อนแล้วจึงพิจารณากายก็ดูสมกับคำของพระอัตคขาาจารย์ส่วนอาตมาไม่ค่อยได้ทำสมถะพ่อแม่ครูอาจารย์คือหลวงปู่ดูลอัตุโลท่านสอนอาตมาให้ดูจิตเอาเลยอันนี้เป็นประสบการณ์ซึ่งเห็นว่าสอดคล้องกับคำของพระอัตคขาาจารย์เช่นกันส่วนท่านผู้อื่นจะเริ่มจากฐานใดก่อน ก็สุดแต่ท่านจะเห็นสมควร 5. าความเชื่อบางอย่างของชาวพุทธ หลวงพ่อกล่าวถึงการเคยฝึกฝนอบรมในการก่อนหมายความว่าหลวงพ่อเชื่อเรื่องชาติก่อนและชาติหน้าใช่หรือไม่ครับแล้วมีข้อพิสูจน์บ้างไหมที่ทำให้เชื่อเรื่องนี้อาตมาไม่อยากให้พวกเราสนใจเรื่องที่กว้างเกินกว่าเรื่องการเจริญสติรู้รูปนามในปัจจุบันแต่เมื่อถามถึงความเชื่อก็ขอยืนยันว่าอาตมาเชื่อว่า ชาติก่อนและชาติหน้ามีจริงเพราะพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้อย่างนั้นเราเป็นสาวกจะเชื่อความเห็นของตนเองมากกว่าเชื่อพระองค์ท่านไม่ได้ส่วนเรื่องข้อพิสูจน์นั้นอาตมาขอสงวนคำตอบเพราะถึงต่อไปก็มีแต่จะพาให้เกิดข้อสงสัยต่อไปอีกไม่รู้จักจบสิน้นอย่างไรก็ตามเรื่องชาติก่อนชาติหน้าตามที่อาตมาเข้าใจ ก็ไม่เหมือนกับที่ญาติโยมส่วนมากเข้าใจคือส่วนมากญาติโยมจะเชื่อว่าในตัวเรามีอะไรบางอย่างที่ไม่ตายอาจจะเรียกว่าจิตหรือวิ ญ, ญญาณเมื่อร่างกายตายลงสิ่งนี้เองก็ออกไปหาร่างเกิดใหม่ที่เชื่อกันอย่างนี้เป็นความเชื่อนอกพระพุทธศาสนาคือเชื่อว่าสิ่งบางสิ่งเป็นอัตตาตัวตนถาวร ส่วนที่อาตมาเชื่อก็คือขันในอดีตมีอยู่เพราะมีเหตุมีปัจจัยขันในปัจจุบันก็มีอยู่เพราะยังมีเหตุมีปัจจัยสืบต่อมาจากอดีตและในอนาคตถ้ายังมีเหตุมีปัจจัยสืบต่อขันก็จะยังมีอยู่อีกเรื่องนี้ขอตอบเพียงเท่านี้ถาม ถ้าเช่นนั้นหลวงพ่อก็คงเชื่อเรื่องนรกสวรรค์ด้วยแต่ผมได้ยินว่าเรื่องนรกสวรรค์เป็นเพียงอุบายหลอกให้คนทำดีเพื่อสังคมจะได้เกิดความสงบสุขเท่านั้นความจริงแล้วสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจคือพอมีความสุขก็เหมือนขึ้นสวรรค์พอมีความทุกข์ก็เหมือนตกนรกทั้งเป็นจริงไหมครับ จริงของคุณแต่ไม่จริงของชาวพุทธเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้ส่งสอนอย่างนั้นถ้าเราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเราก็ควรเชื่อพระพุทธเจ้าไม่จะเชื่อคำบอกเล่าของผู้อื่นหรือเชื่อความคิดเห็นของตนเองถามการเจริญสติปัฏฐาน จะทำได้ดีถ้าเราไม่มีเจ้ากรรมนายเวรคอยขัดขวางใช่ไหมคะมีทางใดที่เราจะแก้กรรมของเราให้เจ้ากรรมนายเวรยอมเอาหัวกรรมได้บ้างสิ่งที่ขัดขวางการทำความดีในทางพระพุทธศาสนาท่านเรียกว่ามานมีหอย่างคือ 1. กิเลสมาร 2. ขันธมารสา พิสังขารมาน 4. เทวปุตตมานและหมัจจุมานเรื่องเจ้ากรรมในเวนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสอนไวอาตมาจึงไม่มีความรู้ความเข้าใจส่วนเรื่องกรรมนั้นกรรมก็คือการกระทำเมื่อทำไปแล้วก็ต้องมีผลของการกระทำเราจะย้อนไปแก้าการกระทำในอดีตไม่ได้ และถ้าเราเคยทำกรรมไม่ดีในอดีตก็อย่าย้อนคิดถึงกรรมอันนั้นให้ตั้งหน้าทำกรรมใหม่ที่ดีจึงจะเกิดประโยชน์ตัวอย่างเช่นเรามีชนะกกรรมทำให้เกิดมายากจนเราก็ไม่ต้องคิดน้อยใจว่าเราทำอะไรกับใครไว้ในชาติปางก่อนจึงต้องเกิดมาจนหรือทำไมชาติก่อนเราไม่รู้จักทำทานชาตินี้จะได้ไม่ยากจน การคิดอย่างนี้ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะเราย้อนไปเปลี่ยนแปลงการกระทำในอดีตไม่ได้แต่เราควรจะทำกรรมใหม่ที่เป็นเหตุให้พ้นจากความยากจนตามที่พระพุทธเจ้าส่งสอนไว้คือ 1. การรู้จักธรรมาหากิน 2. การรู้จักบริหารจัดการทรัพย์สินที่ได้มา 3. การครบกับคนที่ดีและคอยแนะนำสิ่งที่มีประโยชน์ และ 4. การรู้จักเลี้ยงชีวิตตามสมควรแก่อัตภาพกรรมใหม่ที่ดีเหล่านี้จะส่งผลบ่นทอนอิทธิพลของกรรมเก่าที่ทำให้เกิดมายากจนได้ดังนั้นถ้าจะหาเจ้ากรรมในเวรให้ได้จริงๆอาตมาก็เห็นว่าชนะกระก ร, รมหรือกรรมที่แต่งให้เกิดผลนี้แหละคือเจ้ากรรมตัวจริงส่วนในเวรก็คือตัวเราเองถ้าไม่จองเวร คืออย่าไปคิดถึงอดีตเสียอย่างเดียวก็หมดเวรเท่านั้นเองถามผมเคยได้ยินว่าถ้าเราฟังเทศมหาชาติจบได้ในวันเดียวจะได้พบพระสีอานจริงไหมครับอาตมาไม่ทราบและไม่กล้ายืนยันด้วย เพราะความเชื่อเรื่องนี้เป็นความเชื่อที่เกิดขึ้นในชั้นหลังพุทธการเข้าใจว่าสืบเนื่องมาจากเรื่องพระมาลัยซึ่งอาตมาคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนศีลธรรมในชั้นหลังความจริงเรื่องพระพิสุขที่เที่ยวไปในนรกและสวรรค์แล้วกลับมาเล่าเรื่องราวให้มนุษย์ฟังก็มีปรากฏในพระไตรปิฎก เป็นเรื่องของพระมหาโมคลานะดังนั้นเรื่องพระมาลัยอาจจะได้แนวคิดในการประพันธ์มาจากเรื่องของพระมหาโมคลานะก็ได้อีกอย่างหนึ่งถ้ายืนยันว่าใครได้ฟังเทศมหาชาติจบในวันเดียวแล้วจะได้พบพระศรีอาร์พุทธเจ้าแน่นอนก็ดูจะขัดกับหลักธรรมข้ออื่นๆด้วยซ้าไปเช่นถ้าคนนั้นเคยฟัง แต่ต่อมาได้เจริญปัญจมาฌานแล้วพลิกไปเกิดในอสัญญาสัตตาภูมิหรือพรหมลูกฟักหรือเจริญอรูปฌานแล้วไปเกิดในอรูปภูมิหรือฟังแล้วไปทำอนันตฤยกรรมต้องไปเกิดในเอเวจีมหานรกนา น, านหรือฟังแล้วภายหลังได้เจริญวิปัสสนาจนบรรลุพระอรหัสต์และนิพพานไปก่อนอย่างนี้ก็คงไม่ได้พบพระสีอาน อีกประการหนึ่งเราไม่ควรฝากความหวังว่าจะได้พบพระศรีอานแล้วบรรลุธรรมอย่างง่ายได้ด้วยการฟังเทศมหาชาติซึ่งเป็นการลงทุนน้อยแต่หวังผลมากที่ถูกควรตั้งใจศึกษาและปฏิบัติธรรมให้เต็มที่ถ้าไม่นิพพานในพระศาสนานี้ก็พอมีหวังได้พบพระศรีอานพุทธเจ้าต่อไปเพราะมีอุปนิสัยอยู่แล้วแต่ถ้าฟังเทศมหาชาต เพื่อเพิ่มบารมีแล้วก็ได้บารมีหลายอย่างแน่ๆหวังเพียงเท่านี้ดูจะสมจริงกว่านอกจากเรื่องการฟังเทศมหาชาติแล้วบางคนก็เชื่อแปลกๆเช่นเชื่อว่าถ้าได้ทอดกระถิน7วัดแล้วปิดอบายได้หรือฝังลูกนิมิต9วัดในวันตรุษจีนแล้วจะไม่ตกนรกเรื่องเหล่านี้เป็นแค่การเชื่อตามๆกัน ความจริงถ้าอยากปิดอบายให้ได้เด็ดขาดก็ต้องเจริญวิปัสสนาจนบรรลุโสดาปฏิมัติจึงจะเชื่อแน่ว่าปิดอบายได้จริงเรื่องเชื่อตามๆกันยังมีอีกมากเช่นเคยมีนายทหารคนหนึ่งสลบไปพอฟื้นขึ้นมาก็เท่ยบประกาศว่าเวลาตักบาตรต้องเอาน้ำใส่บาตรด้วยจะได้มีน้ำดื่มในสวรรค์ ที่จริงถ้าอยู่สวรรค์แล้วยังกระหายน้ำจนเป็นทุกข์แล้วก็นั่นคงไม่ใช่สวรรค์ซึ่งเป็นแดนของอิทธารมแน่ๆเรื่องเอาน้ำใส่บาททำให้พระสงฆ์องค์เจ้าเดือดร้อนกันมากเพราะบางคนใส่กันทีละลิตก็มีเจอข้าวันละสองสำรายพระก็แทบเดินบินทบาตไม่ไหวแล้วซ้ำยังได้ข้าวไม่พอฉันสิอีกเรื่องสังฆทานก็น่าจะทาความเข้าใจกันบ้าง เวลานี้เราเชื่อกันว่าถ้าซื้อถังเหลืองไปถวายหลวงปู่หลวงพ่อองค์นั้นองค์นี้ก็จัดว่าเป็นการทําสังฆทานแล้วเพราะถังเหลืองคือสังฆทานนั่นไม่ใช่สังฆทานเลยยิ่งไปเที่ยวดักถวายถังในขณะที่พระบิณฑบาตนอกจากไม่ใช่สังฆทานแล้วยังเป็นเรื่องไม่ถูกกาลเทศะเสอีกที่จริงสังฆทานคือการถวายทานแก่สงคือหมู่แห่งพระพิสุท แม้มีข้าวเพียงทัพีเดียวถ้าถวายแกสงก็จัดว่าเป็นสังฆทานแล้วพวกเราชาวพุทธอย่าเชื่ออะไรง่ายๆคืออย่าเชื่อมงคลตื่นข่าวทั้งหลายควรหมั่นศึกษาและปฏิบัติธรรมให้ตรงตามที่พระพุทธเจ้าสอนจะดีกว่าทั้งนี้การเชื่อมงคลตื่นข่าวเป็นเรื่องที่ตอบสนองความอ่อนแอทางจิตใจเท่านั้น ในขณะที่คําสอนทางพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องของเหตุผลซึ่งคนที่มีความเข้มแข็งทางจิตใจเท่านั้นจึงจะเข้าถึงความจริงแท้ได้ถามผมเห็นว่าการที่เราทำสมาธิแล้วถอดกายทิพย์ไปนรกสวรรค์หรือไปเฝ้าพระพุทธเจ้าในพระนิพพานได้ เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากคือทำให้เรากลัวบาปแล้วอยากทำความดีมากๆคุณค่าของพระพุทธศาสนาไม่ได้มีเพียงแค่การสอนให้เราเป็นคนดีเท่านั้นแต่อยู่ที่มุ่งสอนจนเกิดความรู้ความเข้าใจว่าไม่มีตัวเราที่แท้จริงพวกเราเกิดมาในยุคที่พระพุทธศาสนายังดำรงอยู่อย่างบริบูรณ์ หากมีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาใหถึงแก่นแท้จึงจะนับว่าได้ประโยชน์จากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงถามหลายๆคนนั่งสมาธิแล้วเห็นกายในกายซ้อนกันอยู่ใครปฏิบัติก็เห็นอย่างเดียวกันกระทั่งเด็กๆ ที่ไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนเมื่อปฏิบัติแล้วก็เห็นอย่างเดียวกันแสดงว่าสิ่งที่รู้เห็นนั้นเป็นความจริงใช่ไหมครับเพราะถ้าไม่มีจริงคนหลายคนคงไม่เห็นเหมือนเหมือนกันโดยไม่ได้นัดหมายเรื่องที่กล่าวมานั้นดูจะไม่เกี่ยวกับกายในกายในสติปัฏฐานที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้แต่อย่างใด เราควรศึกษาว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนอะไรสิ่งใดที่ลงกันได้กับคำสอนของท่านจึงควรเชื่อถือเราจะอ้างเสียงข้างมากของคนที่ยังมีกิเลสมาเป็นมาตรฐานแทนคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้หรอกถามพระพุทธเจ้าปริ涅槃ไปนานแล้ว จะทราบได้อย่างไรว่าสิ่งใดเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นไปได้ไหมครับที่คําสอนสําคัญบางส่วนของท่านตกหล่นไปจากพระไตรปิฎกอาตมาเคยอ่านหนังสือของท่านพระธรรมปิฎกปออปยุตโตเล่มหนึ่งมีสาระว่าพระไตรปิฎกบาลีที่เราใช้เป็นหลักกันอยู่นี้ได้รับการยอมรับ แม้ในหมู่ผู้นับถือมหายานว่าเป็นคำสอนดั้งเดิมแท้ของพระพุทธเจ้าเก่าแก่ที่สุดเท่าที่จะสืบหาได้แล้วรักษากันมาอย่างเคร่งครัดทั้งแม่นยำที่สุดและครบถ้วนที่สุดนอกจากนี้หลักธรรมในองค์รวมของพระพุทธศาสนาก็เป็นเครื่องตรวจสอบคำสอนต่างๆได้เป็นอย่างดีเช่นสิ่งใดที่ขัดกับหลักธรรมเรื่องอริยสัจ หรือสิ่งใดที่ขัดกับคำสอนเรื่องไตรลักษณ์ย่อมชี้ชัดได้เลยว่าไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าและพระอริยสาวกทั้งหลายอาตมาเสนอให้คุณลองศึกษาพระพุทธศาสนาโดยใช้พระธรรมวินัยที่มีหลักฐานปรากฏอยู่เป็นตัวตั้งแทนการใช้ความเชื่อของตอนเองเป็นตัวตั้งจึงจะไม่เกิดข้อกังขาตอต่อพระไตรปิฎกด้วยเหตุผลที่ว่า พระไตรไปิฎกไม่มีข้อความอย่างที่คุณเชื่อ 6. คขนิกะสมาธิสมาธิเพื่อการเจริญวิปัสสนาถามขอให้หลวงพ่อช่วยอธิบายเกี่ยวกับเรื่องสมาธิ หรือเรื่องจิตตะศิขาหรือเรื่องจิตตะศิขาที่ต้องใช้เพื่อการปฏิบัติธรรมด้วยครับเรื่องจิตตะศกขานั้นเป็นเรื่องของสมถภาวนาและเป็นเรื่องที่ต้องพูดกันมากสักหน่อยแต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าอาตมาจะบรรยายเรื่องวิธีการนั่งสมาธิการเข้าฌานสมาบัติ ตลอดจนเรื่องอภิญญาใดๆอันเป็นเรื่องยากที่พวกเราชาวเมืองจะทำได้จริงในสถานภาพปัจจุบันสิ่งที่อาตมาจะกล่าวมีดังนี้คือประการแรกในทางปริยัติธรรมถือว่าจิตสิกขาเป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตตะวิสุทธิและมีความหมายถึงอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ผู้เป็นสมถญยานิกจะต้องกระทำกันสำหรับผู้ที่เป็นวิปัสสนาญาณิกและไม่สามารถทำอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิได้ก็ไม่ต้องตกใจเพียงมีขณิกะสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตอยู่ในอารมณ์รูปนามอันเดียวที่กำลังปรากฏอย่างสบายสบายไม่ซัดสายหลงไปหาอารมณ์อื่นท่านก็ถือว่าเป็นจิตตวิสุทธิ โดยอนุรวมด้วยสำหรับญาติโยมทั้งหลายเป็นชาวเมืองอาตมาจึงจะพูดเฉพาะเรื่องขณิกะสมาธิเพื่อนำไปเป็นเครื่องมือในการเจริญวิปัสสนาต่อไปส่วนผู้ใดสนใจจะศึกษาแนวสมถญยานิกก็ขอให้ไปศึกษาเองตามวัดป่าเพราะการทำสมาธิที่ละเอียดกว่าระดับขณิกะสมาธิจำเป็นต้องใช้เวลา และสิ่งแวดล้อมที่สงบวิเวกพอสมควรคนที่อยู่ในเมืองวุ่นวายกับการทำงานที่ต้องคิดมากทั้งวันยากมากที่จะทำได้ส่วนมากจะทำได้เพียงค่านี้สงบพรุ่งนี้เช้าฟุ้งซ่านใหม่เท่านั้นประการที่สองาตมาเห็นว่าพวกเรานักปฏิบัติที่เป็นวิปัสสนาญาณิกมักมองข้ามคณิกะสมาธิมากเกินไป เพราะไปคิดว่าแค่การจดจ่อรู้อารมณ์อันเดียวก็เท่ากับได้คณิกะสมาธิแล้วนี้เป็นข้อผิดพลาดอย่างสำคัญทีเดียวในความเห็นของอาตมาการจงใจจดจ่อหรือเพ่งจ้องอยู่ในอารมณ์อันเดียวด้วยอํานาจของตัณหาคือความอยากจะปฏิบัติธรรมน่าจะจัดว่าเป็นมิจฉาสมาธิมากกว่าสัมมาสมาธิ เช่นการเอาความรู้สึกไปเพ่งจ้องแนบแน่นจมแช่อยู่กับอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งมีเท้าท้องมือและลมหายใจเป็นต้นหรือแม้แต่การเพ่งเวทนาและเพ่งจิตทำให้จิตในขณะนั้นมีอาการหนักๆแน่นๆอึดอัดประกอบด้วยโทมนัสเวทนาไม่เบาไม่นุ่มนวลไม่อ่อนโยนไม่ควรแก่งาน ไม่ตั้งมั่นด้วยสติปัญญาแต่ตั้งอยู่ด้วยการกดข่ม บ, บังคับด้วยอำนาจของตัณหาคือความอยากจะปฏิบัติธรรมและไม่รู้อารมณ์อย่างซื่อตรงแต่รู้ไปตามความอยากรู้จิตที่มีสมาธิแบบนี้เอาไปทําวิปัสสนาไม่ได้จริงเพราะเป็นอกุศลจิตแต่นักปฏิบัติส่วนมากชอบเอาจิตชนิดนี้ไปทําวิปัสสากัน เพราะไม่รู้จักจิตที่มีสมาธิอีกแบบหนึ่งทั้งนี้ไม่ต้องกล่าวถึงสมาธิประเภทลืมตัวเคลิบเคลิ้มด้วยอำนาจของโมหะและโลภะหรือฟุ้งซ่านออกรู้เห็นสิ่งแปลกปลอมต่างๆซึ่งเอาไปทำวิปัสสนาไม่ได้เช่นกันสั ม, มาสมาธิไม่ใช่แค่มีเอกคตาเจตสิกแต่องค์ธรรมของสั ม, มาสมาธิคือเอกคตาเจตสิก ที่เกิดร่วมกับกุศลจิตเท่านั้นซึ่งสมาธิประเภทที่ลืมเนื้อลืมตัวหรือเพลิดเพลินในความสงบสบายหรือออกรู้เห็นสิ่งต่างๆเป็นสมาธิที่ประกอบด้วยโมหะและโลภะส่วนสมาธิที่เป็นการเพ่งจ้องหรือกดข่มจิตจนรู้สึกหนักๆแน่นๆแข็งทื่อเป็นสมาธิที่ประกอบด้วยโมหะกับโทสะ ในขณะนั้นไม่ใช่กุศลจิตดังนั้นสมาธิที่เกิดในขณะนั้นจึงไม่ใช่สัมมา ส, สมาธิถ้าเมื่อใดผู้ปฏิบัติมีสติระลึกรู้สภาวะธรรมหรือรูปนามที่กำลังปรากฏตรงตามความเป็นจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ารู้ทันสภาวะความหลงของจิตที่หลงไปทางตาหูจมูก ลิ้นกายและใจโดยไม่ได้ตั้งใจหรือมีตัณหาที่จะรู้สภาวะธรรมนั้นนั้นเมื่อ น, นั้นคณิกะสมาธิจะเกิดขึ้นเองคือจิตจะเกิดความตื่นตัวหลุดออกจากโลกของความคิดความฝันหรือโลกสมมุติบัญญัติแล้วรู้ตัวอยู่อย่างสบายๆรู้อารมณ์ที่กำลังปรากฏโดยไม่หลงไม่ไหลไปจมแช่อยู่กับอารมณ์ เป็นความตั้งมั่นอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาไม่ใช่ตั้งมั่นขึ้นด้วยอำนาจของตัณหาความตั้งมั่นชนิดนี้แหละที่อาตมาเห็นว่าเป็นคณิกะสมาธิตัวจริงประการที่สาการทำสมถะภาวนาเป็นสิ่งที่มีมาก่อนพระพุทธเจ้าแต่การเจริญสติปัฏฐานที่เป็นวิปัสสนาด้วยความมีสติสัมปชัญญะ เพื่อให้เกิดปัญญาเห็นแจ้งรูปนามที่ประกอบกันเป็นตัวเราตามความเป็นจริงจนจิตหมดความอยากและความยึดถือในรูปนามอันเป็นทางแห่งความพ้นทุกนั้นเป็นคําสอนที่มีเฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านั้นดังนั้นถ้าชาวพุทธไม่สนใจเรื่องการเจริญปัญญาหรือการทําวิปัสสนาภาวนาแต่สนใจอยู่แค่เรื่องสมาธิ ก็เท่ากับว่ายัางไม่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า 7. สมถะกับสัมมาสมาธิ าการที่หลวงพ่อกล่าวว่าสมถะมีมาก่อนพระพุทธเจ้าแสดงว่าการทำสมถะไม่สำคัญใช่ไหมครับแล้วที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราเจริญศีลสมาธิปัญญาจะไม่ขัดกับคำกล่าวที่ว่าสมถะไม่สำคัญเลยครับ การที่กล่าวว่าการทำสมถะมีมาก่อนพระพุทธเจ้าทำให้บางท่านเกิดความสงสัยว่าสมถะเป็นสิ่งที่ควรทำหรือไม่เรื่องนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมไว้อย่างชัดเจนว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทำที่ควรให้เจริญด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นไฉนะคือสมถะและวิปัสสนาจากอาคันตุกาคารสูตร สังยุตตนิกายมหาวาระวัตพระสุตตันตปิฎกเล่ม1 1พระไตรปิฎกเล่ม19การทำสมถะมีประโยชน์กับนักปฏิบัติทุกคนแต่จำเป็นสำหรับนักปฏิบัติบางคนทั้งนี้เพราะหนึ่งการทำสมถะมีประโยชน์กับนักปฏิบัติทุกคนในแง่ที่ว่า1สมถะ เป็นเครื่องข่มนิวรจิตที่ปราศจากนิวรเท่านั้นจึงควรแก่งานวิปัสสนาและ2เป็นที่พักผ่อนอันสบายของจิตยามเกิดความอ่อนล้าของจิตในระหว่างการเจริญวิปัสสนาครูบาอาจารย์วัดป่าท่านมักเปรียบการทำสมถะว่าเหมือนกับการรับมีดถ้าเราใช้มีดแล้วไม่เคยรับมีดการตัดสิ่งที่ต้องการ ย่อมยากลาบากเพราะตัดไม่ค่อยจะขาดหรือขาดก็ต้องใช้แรงมากบางคราวท่านก็เปรียบเทียบว่าเหมือนคนทำงานย่อมต้องการการพักผ่อนจิตก็ต้องการการพักหลังจากการเจริญปัญญาอย่างต่อเนื่องเช่นกันและการทำสมถะเป็นการหาที่พักที่ดีให้กับจิต 2. การทำสมถะจาเป็นและขาดไม่ได้ สำหรับสมัตญานิกหรือผู้ปฏิบัติที่ใช้สมาธินำปัญญาคือต้องทำสมถะิจนเกิดฌานเสียก่อนแล้วค่อยพิจารณาองค์ธรรมให้เกิดปัญญาในภายหลังแต่การทำสมถะไม่ใช่เรื่องจำเป็นที่ขาดเสียไม่ได้สำหรับวิปัสสนาญานิกหรือผู้ปฏิบัติที่ใช้ปัญญานำสมาธิคือผู้เจริญสติสัมปชัญญะระลึกรู้รูปนามไปเลย แล้วจิตจึงค่อยรวมเข้าอปปนาสมาธิเองในภายหลังเป็นความจริงที่ว่าผู้บรรลุธรรมจะต้องบรรลุด้วยปัญญาวิมุตตและเจโตมิมุตตทุกคนหมายความว่าเราต้องมีทั้งปัญญาและสมาธิจึงจะบรรลุธรรมได้แต่ก็ขอให้เราแยกกันให้ออกระหว่างการทำสมถะกับสมาธิคือการทำสมถะ มีผลให้เกิดสมาธิจริงแต่การมีสมาธิไม่จำเป็นต้องเกิดจากการทำสมถะเสมอไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีคณิกะสมาธิซึ่งเป็นอุปกรณ์ของการทำวิปัสสนาอาจไม่ต้องเริ่มจากการทำสมถะก็ได้อย่างไรก็ตามผู้ใดทำสมถะได้ก็มีประโยชน์เหมือนกับคนสองคนเดินทางไกล คนหนึ่งต้องนอนกลางดินกินกลางทรายไปตลอดทางอีกคนหนึ่งเดินทางไกลพ้นเหนื่อยก็มีที่พักแรมอันสะดวกสบายสองคนนี้ใครสบายกว่ากันก็คงพอนึกได้ถามหมายความว่าการทำสมถะเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นหรือไม่ควรทำ ดังนั้นเราไม่ต้องนั่งสมาธิเลยก็ได้ใช่ไหมครับพวกเราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเมื่อท่านสอนว่าทมที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งมีสองอย่างคือสมถะกับวิปัสสนาเราชาวพุทธ ก็ต้องเชื่อฟังท่านจะพูดเอาตามใจชอบว่าไม่ควรทำสมถะย่อมเป็นการไม่สมควรเพราะสมถะจำเป็นสำหรับผู้ปฏิบัติบางคนแต่มีประโยชน์กับผู้ปฏิบัติทุกคนแต่ขอให้สังเกตถ้อยคำของพระพุทธเจ้าให้ดีท่านเน้นว่าควรจเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งไม่ใช่จเจริญแบบไรสติไรปัญญาหมายความว่า เราจะทำสมถะหรือวิปัสสนาก็ตามเราต้องรู้ว่า 1. เราจะทำอะไรสมรถะหรือวิปัสสนา 2. จะทำเพื่ออะไรสงบหรือพ้นทุกข์ 3. จะทำอย่างไรคือมีสติรู้อารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องหรือมีสติสัมปชัญญะรู้รูปนามตามความเป็นจริงและสี่ ระหว่างทำก็ต้องมีสติปัญญารู้ชัดว่าทำอะไรอยู่ด้วยหากในเวลาที่ควรทำสมถะก็ฝืนจะเจริญปัญญาในเวลาที่ควรจเจริญปัญญากลับไปทำให้จิตหยุดนิ่งอยู่กับสมถะอย่างนี้ก็นับว่าปฏิบัติไม่ถูกและในเวลาทำสมถะและวิปัสสนาเราจะทิ้งสติไม่ได้ไม่ใช่นั่งเคลิ้มครึ่งหลับครึ่งตื่น หรอนั่งเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วบอกว่าเป็นการทำสมถะตามที่พระพุทธเจ้า ส, สอนอันนั้นเป็นความเข้าใจผิดเสิแล้วเรื่องนี้หลวงปู่มั่นผูริทัตโตท่านสอนไว้ชัดเจนน่าฟังมากว่าทำสมาธิมากก็เนิ่นช้าคิดพิจารณามากก็ฟุงซ่านหัวใจสำคัญของการปฏิบัติคือการมีสติ ในชีวิตประจำวันจะเดินรวมทั้งเดินจงกรมก็ต้องเดินด้วยความมีสติจะนั่งรวมทั้งนั่งสมาธิก็ต้องนั่งด้วยความมีสติเพราะมีสติก็คือมีความเพียรขาดสติก็คือขาดความเพียรประเด็นที่คุณถามจึงตอบได้ว่าสัมมาสมาธิเป็นสิ่งที่จำเป็นและขาดไม่ได้ สำหรับทุกคนที่ปรารถนามรคนิพานส่วนการทําสมถะมีประโยชน์กับทุกคนแต่จําเป็นสําหรับสมถะญาณิสําหรับเรื่องการนั่งสมาธินั้นขอตอบว่าเรามีสมาธิได้ในทุกอิริยาบถไม่เฉพาะในอิริยาบบนั่งเท่านั้นแต่ถ้าจะนั่งทําสมถะแบบขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้ายอย่างที่นิยมกันนั้นหากเป็นการทำด้วยปัญญาอันยิ่งก็ควรทำแต่หากทำเพราะคิดว่านั่นคือทั้งหมดของการปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนาหรือทำเพื่อสนองความอยากรู้อยากเห็นตามอํานาจของกิเลสตัณหาหรือทำเอาความเคลื่อเคลิ้มขาดสติอย่างนั้นก็ไม่ถูกต้องอาตมามีข้อสังเกตว่าสมาถะ เป็นสิ่งที่ทำได้ยากเพราะผู้ปฏิบัติต้องคอยแก้จิตที่ไม่ดีให้ดีต้องคอยแก้จิตที่ไม่สงบให้สงบเมื่อจิตดีและสงบแล้วก็ต้องคอยรักษาไว้สมถะทำยากแต่พวกเราชอบทำเพราะเชื่อว่าจำเป็นเหลือเกินสำหรับการเจริญวิปัสสนาพอพูดถึงการปฏิบัติธรรม พวกเราก็จะเริ่มคิดถึงการหลับตานั่งสมาธิกันก่อนอย่างอื่นถามขออนุญาตถามตามความเข้าใจของดิฉันสมถะเป็นของที่ทำได้ง่ายเพราะมีมาก่อนพระพุทธเจ้าส่วนมิปัสนาน่าจะทำได้ยากเพราะหลวงพ่อก็กล่าวเองว่า วิปัสสนามีขึ้นเฉพาะเมื่อมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นสมถะรมยากเพราะมีกิจที่ต้องทำมากเช่นคุณจะทำกะสินให้ได้ฌานคุณต้องเริ่มหาตั้งแต่วัตถุที่จะใช้เพ่งเช่นถ้าจะทำปฐวีกะสินหรือการเพ่งดินคุณก็ต้องเตรียมดิน คัดเลือกดินนามาทาเป็นดวงกสินจากนั้นคุณต้องหัดดูดวงกสินนั้นด้วยตาของคุณดวงกสินนั้นจัดเป็นบริกรรมนิมิตจนภาพของดวงกสินติดใจคือหลับตาก็เห็นภาพเหมือนเมื่อลืมตาภาพนั้นจัดเป็นอุกขะนิมิตเท่านี้ยังไม่พอคุณต้องรู้ภาพดวงกสินในใจไปจนเกิดสิ่งที่เรียกว่า ปฏิภาคกนิมิตคือดวงกสิณในใจผ่องใสหมดจดปราศจากริ้วรอยราวกับแก้วผลึกและจะน้อมจิตให้ดวงกสิณเล็กใหญ่ก็ได้ตามปรารถนาเพียงแค่เริ่มต้นเท่านี้ยังไม่ทันถึงฌานก็ยากมากแล้วส่วนการนั่งสมาธิที่นั่งเคลิม้มลื ม, ลมเนื้อลืมตัวไม่มีสตินั้นไม่ใช่การทาสมถะแต่อย่างใดเอาละ สมมติว่าคุณเพ่งกสินจนได้ฌานแล้วการจะรักษาฌานเอาไว้ก็เป็นงานยากอีกในขณะที่วิปัสสนานั้นยากกระตรงที่เราไม่รู้ไม่เข้าใจว่าจะทำอย่างไรเราจึงต้องฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราศึกษาคำสอนของท่านจนเข้าใจแล้วจะทราบว่าวิปัสสนาทำง่ายที่สุดตัวอย่างเช่น เมื่อความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นถ้าคุณทำสมถะคุณจะต้องหาทางทำให้ความฟุ้งซ่านดับไปเพื่อให้จิตสงบแล้วหาทางรักษาความสงบนั้นไว้แต่ถ้าคุณจะทำวิปัสสนาเพียงแต่คุณรู้ว่าความฟุ้งซ่านกำลังปรากฏอยู่ในฐานะที่เป็นเพียงนามธรรมอันหนึ่งเท่านั้นโดยที่คุณไม่ต้องไปแก้ไขอะไรเลย รูปแบบของการทำสมถะจะต้องยึด ต, ตามคำสอนเรื่องกรรมฐาน40เท่านั้นหรือจะใช้อารมณ์กรรมฐานอย่างอื่นก็ได้ครับอารมณ์ของสมถะกรรมฐานมีมากไม่มีประมาณเพราะหาง่ายเนื่องจากใช้บัญญัติเป็นอารมณ์ที่พระเถระชั้นหลังท่านจัดเป็น40อย่าง ก็เพียงทำเป็นตัวอย่างไว้เท่านั้นในพระไตรปิฎกและอัตถกาถายังมีกล่าวถึงอารมณ์กรรมฐานอื่นๆไว้อีกมากมายเช่นพระพุทธเจ้าทรงสอนท่านพระจุลบันทกะให้รูปคลาผ้าขาวและบริกรรมว่าผ้าเช็ดฝุ่นย่อมเช็ดฝุ่นพระเถระบางรูปพิจารณาดอกบัวแดงที่ปักไว้บนพื้นทรายบางรูป พิจารณาการละลายของน้ำแข็งที่ชายคาพระคันตกุดีพระเถรีบางรูปพิจารณาน้ำที่หและซึมลงบนแผ่นดินบางรูปพิจารณาโคมไฟที่ดับไปสามเณรบางรูปพิจารณาสอนตนเองโดยปรารพถึงการไขน้ำเข้านาและการดัดลูกศรเป็นต้นสำหรับพระเถระร่วมสมัยของพวกเรา ท่านเคยสอนสมถกรรมฐานแบบพิเศษไว้สำหรับบางคนก็มีเช่นหลวงปู่ดูลย์อตุโลท่านสอนให้สิทธ์บางรูปคิดพิจารณาผมเพียงเส้นเดียวและหลวงพ่อพุท ธ, ธานิโยสอนให้พระรูปหนึ่งบริกรรมชื่อผู้หญิงแทนคำว่าพุทโธเพราะท่านบริกรรมพุทโธแล้วพุทโธหายกลายเป็นชื่อผู้หญิงทุกที ท่านก็บริกรรมชื่อผู้หญิงจนจิตรวมได้เหมือนกันอย่างนี้ก็มีมาแล้ว